เรื่องทรงอนุญาตกาลิกระคนกันครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันดังนี้ว่ายามะกาลิกระคนกับยาวกาลิกควรหรือไม่ควรหนอสัตหะกาลิกระคนกับยาวกาลิกควรหรือไม่ควรหนอยาวชีวิกระคนกับยามะกาลิกควรหรือไม่ควรหนอ ยาวะชีวิตรคนกับสัตตาหกาลิกควรหรือไม่ควรหนอภิสุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกสุทั้งหลายยามกาลิกรคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนไว้ในวันนั้นควรในการ ไม่ควรในเวลาวิกาลภิกษุทั้งหลายสัตตาหกาลิกละคนกับยาวกาลิกที่รับประเคณในวันนั้นควรในการไม่ควรในเวลาวิกาลภิกษุทั้งหลายยาวะชีวิกละคนกับยาวกาลิกที่รับประเคณในวันนั้นควรในการ ไม่ควรในเวลาวิการภิกษุทั้งหลายสัตตาหกาลิกรักคนกับยามะกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรในการไม่ควรในเวลาวิการภิกษุทั้งหลายยาวชีวิกระคนกับยามะกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรชั่วยาม ล่วงยามแล้วไม่ควรภิกษุทั้งหลายยาวชีวิตระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้นควรตลอดเจ็ดวันล่วงเจ็ดวันแล้วไม่ควรเพศัชขันทกะที่หจบในขันธกะนี้มีหนึ่งเรื่อง